ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่จะได้นำมาบรรยายในวันนี้ได้ชื่อว่าโลหิตเจสูตรข้อความในตอนต้นว่าในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปในโกศนชนบทพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านสาราติกาคาม ในหมู่บ้านนั้นมีพราหมณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่อว่าโลหิตเจพรบับได้รับอํานาจพิเศษจากพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลให้ปกครองหมู่บ้านนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปในถิ่นของท่านท่านก็ได้ทราบข่าวเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าโดยนิย่าที่เราสวดกัน ว่าแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันศัตรูดีศัตรูชอบด้วยพรุ่งเองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะในเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชคหรือผู้จำแนกธรรมเกติคุณของพระพุทธเจ้าที่ ได้แพร่กระจายไปในลักษณะนี้ทาให้ท่านโลหิตพราห ม, มีความคิดว่าธรรมดาสมณพราหมณ์ที่รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วก็ไม่น่าจะไปสอนคนอื่นหรือไม่ควรจะสอนบุคคลอื่นเพราะคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หมดจดจ้องเป็นไปไม่ได้ท่านเองก็มีความเห็นว่าความละโมบลโลภมากนั้นเป็นความชั่วร้าย ก็กลายเป็นทิฏฐิหรือความคิดเห็นอีกแนวหนึ่งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปในถิ่นของท่านแต่ที่ท่านจะมาเฝ้าท่านก็ส่งเพื่อนคนหนึ่งให้มาเฝ้าแล้วกราบทูลนาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อให้เสด็จไปเสวยที่บ้านของท่านพระพุทธเจ้ารับอาราธนาเพื่อนของท่านจึงซึ่งชื่อว่า โรสิกาก็ได้กราบทูลถึงทิฏฐิของโตอิจพราหมว่าเป็นทิฏฐิที่น่ากลัวขอให้พระพุทธเจ้าช่วยปลดเปื่องทิฏฐิเหล่านี้ให้ด้วยพระพเจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรพระรงจะจัดการให้เองเมื่อเสด็จไปถึงแล้วหลังจากผ่านการสนทนากันพอสมควรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้านิคมใหญ่มีอำนาจที่เก็บซวยสากลจากราษฎรโดยลําพังตนเองทั้งสิน้นและเมื่อมีคนก็ไปพูดว่าลอยจะพรามณ์เก็บภาษียกรจากราษฎรแล้วก็เก็บไห ว, เ พ, ไวเพื่อตัวเองไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้สงเคราะห์แก่ประชาราษฎร คนที่พูดเช่นนี้พูดผิดหรือพูดถูกแกก็บอกว่าพูดผิดและคนที่พูดในลักษณะนี้เขาหวังดีหรือหวังไร่ต่อท่านบอกหวังไร้พ้นที่เกิดขึ้นจากคําพูดของเขานั้นทําตนเองให้เดือดร้อนและทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ท่านก็บอกว่าทําให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายและคนที่ความจริงมันเป็นอย่างหนึ่ง แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความเห็นไปอย่างหนึ่งเช่นนี้ถือว่าความเป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกท่านก็บอกว่าเป็นความเห็นผิดคือเป็นมิจฉาทิฐิพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างพระเจ้าปัสเสนที่โกศลขึ้นมาถามโดยนัยะเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเป็นราชาธิป็นีแห่งแคว้นกาสีที่โกศลเก็บภาษีจากราษฎรโดยลำพังปรุงเองแล้วก็ไม่ได้อื้อเฟือไม่ได้สงเคราะห์ แอ บ, บอาณาประชาราษฎรคนที่พูดเช่นนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงก็บอกว่าพูดไม่จริงคนที่พูดเช่นนี้มีเจตนาดีหรือเจตนารายก็บอกว่าเจตนารายสแสดงความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็บอกว่าสแสดงความเป็นศัตรูคนที่เชื่อถือ หรือคนที่พูดไปในลักษณะนี้เป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุนคคลอื่นหรือไม่ท่านก็บอกว่าเบียดเบียนทั้งสงฝ่ายโดยนัยยะที่กล่าวแล้วแล้วก็ขมวดลรงมาว่าคนที่มีความคิดเห็นเช่นนี้เป็นเห็นผิดหรือเห็นถูกท่านก็ตอบว่าเห็นผิดและในที่สุดก็เชื่อมโยงมาที่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อจะสรูดีจะรู้ชอบด้วยตนเองแต่บรรลุธรรมที่ควรบรรลุแล้วก็ไม่ได้สั่งสอนใคร ค น, คนที่ไปพูดเชนั้นพูดผิดหรือพูดถูกแกก็ตอบว่าพูดผิดโดยนัยยเช่นเดียวกันนะฮะคือถามคําถามมาโดยลําดับเช่นเดียวกันและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งย้อนมาที่ความคิดเห็นของท่านว่าความคิดเห็นของพราหมณ์ที่มีความคิดเห็นว่าสมณ พ, พราหมณ์ผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองไม่ควรจะสั่งสอนบุคคลอื่นนั้นเป็นความเห็นที่ผิดหรือเห็นที่ถูกท่านก็ ท่านก็บอกว่าเห็นผิดและในที่สุดก็ทรงจำแนกาศาสดาออกไปเป็นสี่ประเภทก็คือคำว่ า, าศาสดาที่ทรงใช้นั้นก็หมายถึงคนที่เป็นครูเป็นผู้สั่งสอนที่ควรจะตาหนิติเตียนนั้นก็มีอยู่สามประเภทแต่ใครไม่ควรจะตาหนิติเตียนนั้นมีอยู่หนึ่งประเภทประเภทแรกคือาศาสดาที่ ออกบำเพ็ญเพียรเพื่อตัวเองแต่ในที่สุดตัวเองก็ไม่ได้รับผลอะไรจากการบำเพ็ญเพียรเหล่านั้นแล้วก็มาตั้งตนสั่งสอนคนอื่นคนที่รับฟังคําสั่งสอนเองก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เรื่อมายไม่ได้เชื่อฟังไม่เอื้อเพื่อในคําสอนของาศาสตรานเหล่านั้นคนทั้งหลายก็ควรจะติเตียนได้ทั้งสองกรณีคือตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรสาวกของตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร ศา ส, สดาพวกที่สองนั้นออกบวชบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาธรรมะและในที่แต่ว่าตนเองก็ไม่ได้บรรลุคุณสมบัติพิเศษอะไรแล้วไม่สามารถจะปฏิบัติตามแนวความคิดหรือคำสั่งสอนของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันสาวบกซึ่งได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของศาสดานั้นสามารถที่จะนำไปใช้ ประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ศา ส, สดาหเหล่านี้ก็ควรจะตำหนิดได้หนึ่งฐานะมันเหมือนกับนายโคบาลที่เลี้ยงโคเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นคือคำสอนคำแนะนำคำสั่งสอนของท่านก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านก็ควรจะติเตียนในประเด็นว่า ตนเองไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตนคิดคน้นจากสิ่งที่ตนศึกษาและจากสิ่งที่ตนสั่งสอนแต่อีกประเด็นหนึ่งก็ไม่ควรตําหนิเขาเพราะเขาคนที่รับฟังคําสั่งสอนเหล่านั้นก็ไปได้ประโยชน์าศาสดาอีกพื่องหนึ่งคือได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองแต่ว่าสาวกคือผู้ฟังท่านไม่ได้รับประโยชน์จากคําสอนเหล่านั้น ศาสตาประเภทนี้ควรตำหนิในวิธีการสอนว่าไม่ได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ก็ดีแต่ลำพังตนเองก็เป็นนั้นแสดงว่าศาสตราจาพวกนี้ประเภทแรกนั้นควรตาหนิทั้งสองกรณีเพราะตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์และคนอื่นก็ไม่รับประโยชน์ประเภทที่สองควรตำหนิในกรณีหนึ่งคือในกรณีที่ตนเองไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ควรยกย่องในกรณีที่ช่วยเหลือสาวกได้ บุคคลประเภทที่สมนั้นควรตําหนิในกรณีที่สองคือสาวกไม่ได้รับประโยชน์แต่ว่าตนเองได้รับประโยชน์ลุยจะพราหมณ์จึงกราบทูลถามว่าก็มีาศาสตาประเภทใดที่ไม่ควรแก่การตําหนิได้พระพุทเจ้ารับสั่งแล้วก็ชี้ที่พระองค์และนระสาวกทั้งหลายซึ่งโดยเสด็จโดยทรงชี้เห็นว่าพระองค์เองนั้นสัจสรดีสัจท ร, รูชอบด้วยตนเองแล้วก็สามารถสอน สาวกให้จตุรูดีจตรูตชอบตามไปด้วยจึงไม่ควรแก่การตาําหนิเพรา ะ, ะความคิดของโลหิต จ, จะพราหมณ์ที่มีความคิดว่าสมณะพราหมณ์ผู้รู้ดีรู้ชอบด้วตนเองแล้วไม่ควรสอนบุคคลอื่นจึงเป็นความเห็นที่ผิดเมื่อไปคิดนึกในแนวนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดแต่แม้แต่จะพูดออกไปก็เป็นวาจาที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่เกิดประโยชน์ โดยจะพามื่อได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแ ล, ล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นเหมือนบุรุษที่ช่วยคนซึ่งกำลังจะตกบ่อให้หลุดพ้นมาจากบ่อนั้นแล้วการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ในคราวนี้ เป็นการช่วยชุดข้าพระองค์ขึ้นมาจากนรกให้เข้าถึงความสุขความสวัสดีในที่สุดก็ประกาศแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระราตนตรยัยเป็นชนะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนี่ก็เป็นเป็นใจความโดยสรุปในโลหิตจิสุดที่จริงพระสูตรนีเออ้เนื้อหาก็ไม่ค่อยจะยาวเท่าไหร่ แต่ท่านจัดเข้าไว้ในทีคณิกายคือในกลุ่มพระสูตรขนาดยาวในพระัยบิดกฝ่ายพระสูตรเรื่มแรกคือธนะปพระัยบิดกก็เป็นเรื่มที่เามีข้อที่ควรทำความเข้าใจอยู่หลายประเด็นด้วยกันเรืนแรกคือลักษณะทางการปกครองในโกศนชนบทคือสมัยพุทธกาลนั้นที่จริงมันก็มีมาก่อนพุทธกาลการปกครองจะมีอยู่2แนว แนวหนึ่งเขาเรียกว่าสามักขีธรรมถ้าพูดสำนวนทางการเมืองในปัจจุบันเขาเรียกว่าอภิชาธิปไตยคือมีคณะบุคคลที่เป็นเจ้าเป็นใหญ่ส่วนมากจะเป็นราชวงศ์ทำหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองเหล่านั้นแต่ว่าประราชาเองไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็จะต้องเข้าที่ประชุมสภากษัต การปกครองแนวนี้ก็มีอยู่ที่ส ก, กะคือแคว้นของพระพุทธเจ้ามีที่โกริยะประญาติฝ่ยมารดาของพุทธเจ้าฝ่ายประชนชนีของพุทธเจ้าแล้วก็วัชีเอโกริยะโกริยะนั้นก็เป็นผู้โกริยวงศ์ฝ่ายพระนางมายากับวัชีมันละปกครองอีกแนวหนึ่งเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยคือมีพระราชาเป็นใหญ่ ได้แก่กาศีโกศลอังคามาคตกาศีโกศลแล้วก็เจตีวังสะเมืองเหล่านั้นจึงมีอีก10กว่าเมืองเนี่ยก็ไม่ระบุไว้เด่นชัดว่าปกครองด้วยแนวไหนแต่สรุปก็อยู่ในสองแนวนี้เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาจนเราจนเวลาพระตกรถาาจารย์เล่าท่านเล่าไปถึงเหตุการณ์ทางบ้านเมืองก็มีอยู่ประมาณ10แคนแต่นั้นเอง แต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างทางการปกครองของเขาว่าพอย่อยลงไปข้างล่างมันจะมีหัวหน้ากลุ่มนิคมนั้นๆแต่ละกลุ่มก็จะมีสภาเรียงมาตามลําดับถือตั้งแต่สภาสมัยนั้นก็ไม่เรียกว่าตำบลหมู่บ้านแต่เขาเรียกว่าคามนิคมชนบทราชธานีคามก็อาจจะเป็นระดับตําบล นิคมก็อาจจะเป็นระดับจังหวัดเรื่งเพอชนบทก็หมายถึงแคนใ ห, ใหญ่และราชธานีก็คือตัวเมืองหลวงมีสภาที่ลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำตามลำพังจะต้องมีการประชุมสภากันวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆการปกครองในสมัยพุทธกาลจึงเป็นระบบที่เรียกว่าคือบางเรื่องเราเรายังตามก็ไม่ทัน ในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ว่าในต่างประเทศออกไปเพราะามีเงื่อนไขในการบริหารการปกครองที่ละเอียดอ่อนมากมีการควบคุมจัญญาบันของผู้ที่เป็นสมาชิกในสถานที่นั้นๆลักษณะของสภาที่ก็มีการจดจารึกไว้ในรัฐสภาของเราที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของสภาให้บุคคลาษทั้งหลายฟัง ว่าในที่ประชุมใดไม่มีสัตว์ปรุษในที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดที่พูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตว์ปรุษเพราะฉะนั้นสัตว์ปรุษที่ทำหน้าที่ประชุมในสภาจะต้องพูดเป็นธรรมเพื่อแสดงความเป็นสัตว์ปรุษของตนนี่ก็เป็นหลักในด้านของธรรมะคือด้านของจิตใจด้านระเบียแ บ, บแผนจั ญ, ญาบรต่าง แต่กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆของคนที่เป็นสมาชิกก็วางไว้รัดกุมมากเจดว้าคัาาดการประชุมหรือมาสายจะถูกปรับถึง50กหาปณะเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มงวดขุดขันได้เกิดถึงในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีบ้านไหนเมืองไหนเขาทำกันได้เอ่อประการที่สองก็คือเรื่องเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสื่อสารมวลชนในสมัยนั้นมันก็ไม่มีคนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนก็คือพ่อค้ากับคนที่เดินทางต่างเมืองเป็นกระบวนพวกคาราวานที่เดินไปกองเกวียนเป็นร้อยๆขบวนเป็นร้อยๆเกวียนเดินไปในที่นั้นๆไปถึงบ้านถึงเมืองไปพักในที่ใดมันก็พูดจาบอกกล่าวเล่าขานกันเออท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ถูกนําขึ้นมาเล่า แต่ถ้าสมัยปัจจุบันก็คงไม่ล่าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแนวโน้มความสนใจของคนในยุคนั้นสนใจเรื่องาศาสดาสนใจเรื่องพระพันธสัมมาสมมัมพุทธเจ้ากันมากก็เรียกว่าเป็นเป็นยุคสมัยที่คนรอคอยนะใกล้ๆกับคนไทยเรารอคอยประสีอา่านก็มีใครที่พิเศษขึ้น คนจะต้องเดินทางไปหาไปสืบค้นกันจนบางบ้านบางเมืองตั้งเป็นกองคอยสืบประชาชนเองตั้งกองคอยสืบว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วหรื อ, อยังซึ่งซึงซึงก็เป็นเรื่องยุคเรื่องสมัยหรือความสนใจของสังคมในแต่ละยุคนั้นไม่เหมือนกันยุคใดสมัยใดที่ ขานิยมในสังคมความสนใจของสังคมหนักไปในเรื่องใดเรื่องนั้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่สำคัญขึ้นมาสมัยพระพุทธเจ้าในข่าวการบังเกิดของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดบรรดาข่าวทั้งหลายคนติดตามข่าวนี้บางองค์อย่างพระเจ้ากับปินะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงคนไปออกทั้ง4ีทิศไปสืบข่าวแล้วก็สืบข่าวจากพวกพ่อค้า จากเมืองต่างๆถามข่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าวังเกิดขึ้นแล้วหรือยังพอได้รับข่าวในไม่ยอมเสด็จกลับวังคือไปทันทีเลยออกบวชทันทีเล ย, ออดเลยโดยเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รู้ประวัติประเะรวณีเลยหรือเขามุ่งแต่ที่พระพุทธเจ้าแต่คนที่ออกบวชอุทิศในแนวนี้ยังมีอยู่มากแต่ข่าวที่ลือไปไม่ได้ลือเฉพาะพระพุทธคุณ เป็นการล่าประวัติมันด้วยะสมณโคโดมออกบวชจากสกยะสกุลเป็นโอรสของพระเจ้าสุโตธนะพระดงรังจีมหามายาในพระพุทธวัดโดยยอดเนี่ยมันจะตามไปด้วยเพราะฉั้นคนเหล่านั้นจึงรู้ถึงชาติตวงศโดยเฉพาะชาติวงศ์ใมีส่วนมากเนื่องจากสุเรียโคตรหรือโคตมโคต พระพุทธเจ้านั้นเป็นสุริยวงศ์นะฮะถ้าเรียกวงก็เรียกว่าสุริยวงศ์ถ้าเรียกโคดก็เรียกโคตมะโคตก็เหมือนกันนะพระอาทิตย์เหมือนกัน เ, เป็นวงกรรษัตริย์ที่สูงที่สุดบรรดากษัตริย์ในยุคนั้นวงใหญ่ๆก็มีจันทร Judy ์วงศ์กับสุริยวงศ์จันทรวงศ์ก็ยองรองลองมาสุริยวงศ์ก็ถือว่าเป็นวงกรรษัตริย์ที่สูงสุดเหมือนกับที่พูดเรื่องธนัญชานีพราหมในวนก่อนนะคือพราหมณนี่ทนัญชานีโคตเป็นโคตที่สูงสุดกษัตริย์สุริยโคตเป็นโคตที่สูง ก็มีส่วนที่ให้คนซึ่งเจ้ามานะเจ้าทิฐิในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยมันก็คี่แบ่งหน้าดูแล้วพวกเนี้ยไอบางทีไม่มีอะไรละ ว, วันณะสูงเช่นอย่างหนึ่งก็แต่ต้องงานต่ําไม่ได้กลายเป็นระบบวันณะที่ทําให้อินเดียตกต่ำจะแม่ในปัจจุบันไอ้ระบบถือชั้นวันณะทําทให้ตกต่ําเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เกิดในวันณะสูงจะไม่ยอมทํางานที่ ถือว่าเสียศักดิ์ศรีคือยอมอดข้าวดีกว่าที่จะทำงานที่เสียศักดิ์ศรีนี่ก็เป็นเป็นปัญหาที่อินเดียก็คงจะแก้ได้ยากในปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้มีคนที่ถูกกดดู่คือพวกคาริจันเนี่ยตั้งหกสิบาลน70จ็ดสิบ้๊าลนลยทือวันหกสิบกานมาหลายปีแล้วพวกนี้จะเข้าไปทำงานที่มีความสำคัญอะไรไม่ได้งานสูงๆไม่ได้แต่ว่าเป็น เป็นภาราที่สังคมต้องเลี้ยงดูเพราะคนเหล่านี้ก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เกิด ก, ก็กลายเป็นปัญหาที่ถาวรแม้พระพุทธเจ้าจะแก้ได้มันก็แก้ในยุคในสมัยของพระองค์ก็หลังนั้นมาประมาณสักสี่0ปีนี่แก้ได้หลังจากนั้นมันก็กลับเข้ารอยเดิมโลหิตพรามมีความคิดที่ออกจะแปลกนะฮะความคิดแนวนี้แปลกคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้62ทิฏฐิ ในพระมัชฌาละสูตรหรือไม่อยู่ในสิบทิฏฐิในเรื่องอันตรายกาทิฏฐิแต่เป็นทิฏฐิที่แปลกมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะเกิดขึ้นมาจากวัชริยะคือความเจตนีความเจตนีที่เอาฐานตัวเองเป็นเครื่องวัดเอาตัวเองเข้ามาเป็นเครื่องวัดว่าคนเราถ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะไปบอกคนอื่นให้รู้ดีรู้ชอบตาม ซึ่งท่านตั้งหลายจะมองดูในชั้นที่ต่ำลงมาในสมัยโบราณเนี่ยคือคนที่มีมีวิชาวความรู้พิเศษจะไม่บอกแก่คนอื่นนี่มันคืออะไรก็คือธรรมะมัจรรยะจะหนีความรู้หวงวิชาการความรู้ต่างๆพอพระพุทธเจ้าตรัสรูพระเจ้าสแสดงหน้าที่ของครูบาอาจารย์บอกศิละปะวิทยาให้สิ้นเพลิงไม่ปิดบังอำพรางก็เพื่อกระจัดเนี่ยกระจัดธรรมมัจริยะคือมันมีพื้นฐานทางใจคนมันหวง กลาวคนอื่นจะรู้เท่ากับเรากลัวจะเก่งกว่าเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาฐานตัวเองเป็นเครื่องตัดสินแต่แกมองในช่วงที่สองแกมองถูกนะฮะช่วงที่สองที่แกคิดว่าอีกคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้ซึ่งพุทสาสนาเองก็ยอมรับสุทธธีอสุทธิปัจจต่างนันยนยังวิโสทเยที่เป็นภาสิท์ถึงเรารู้กันแพร่หลายเนะี่ยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนกระทำเอาแต่ในะขณะเดียวกันก็แสดงทิงว่าท่านยังมีโมหะแ่ท่านไม่รู้ว่าไอ้เงื่อนไขในการสอนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการดนบันดาลหรือเป็นเรื่องที่ทำให้คนนั้นดีแต่แนะนำให้เขาประพฤติปฏิบับติดีพระพุทธเจ้าไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นนักดนบันดาลหรือว่านักเอาจับคนไปจุ่มบ่อทองอย่างเรื่องพระสังล้วก็ชี้แจงทาง ที่ควรเว้นทางที่ควรประพฤติให้เท่านั้นเองเอพอมาข้อที่สามท่านก็คิดถูกอีกนะ ก, ก็ก็เรียกว่าขีมือไม่เบาเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าความโลภนั้นเป็นปาประธรรมแต่ในขณะเดียวกันท่านก็โลภความรู้นะฮะแนวความคิดของท่านเองท่านก็โลภความรู้ของท่านเพราะถ้าท่านรู้ท่านก็คงไม่สอนอซึ่งในชั้นนี้เป็นเรื่องที่ เราต้องมองถึงพื้นฐานทางจิตใจอย่างที่มาเคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีนะเพราะท่านตรัสรู้หรือบรรลุอรหันต์ปั๊บเนี่ยจิตดวงหลังจากนั้นที่เกิดขึ้นคือกรุณาคือกรุณาที่เกิดขึ้นท่วมท้นภายในจิตใจของท่านคือสัมผัสสุขสูงสุดกิเลสหมดเรียบร้อยต่อไปก็คือกรุณา สงสารต้องการจะช่วยเพื่อนร่วมโลกนี่ให้ได้สัมผัสเหมือนกับท่านสัมผัส ด, ด้วยให้ได้สัมผัสเหมือนกับท่านสัมผัสแต่นั้นการทํางานของพระหานจึงถือเป็นทํางานในลักษณะที่จิตว่างคือไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อคนอื่นที่ไหนก็ตามคนอื่นที่ควรจะช่วยเหลืออยู่ที่ไหนทัานก็ไปกับท่านเลยไปได้ทั้งหมดก็เรียกว่า60องค์แรกที่ส่งไปในชุดแรกเนี่ยมีผลงานที่เรารู้อยู่สมองค์แต่นั้นเอง จนปัจจุบันเนี่ยที่เฉพาะอามา ต, ติดตามได้นะฮะก็ยพยายามติดตามประวัติของท่านว่าท่านไปทํางานกันที่ไหนเคยทาเป็นพระยุคแรกแล้วพวกทําสังขยนาเป็นพระยุคหลังก็ปรากฏว่าติดตามได้สามองค์เท่านั้นเองสแสดงว่ามีคนที่ควรโปรดที่ไหนท่างก็ไปกันได้โดยไม่ได้มุ่งอะไรเพื่อตัวท่านเองเพราะเป็นคนที่ทํางานด้วยความกรุณา ถ้่เราสังเกตว่าจิต ท, ที่ประกอบด้วยกรุณาจะไม่ได้นึกถึงตัวเองไม่ทํางานเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือโฆษณาตัวเองแต่ว่าทําเพื่อเกิดประโยชน์แก่คนอื่นเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตอนส่งภาษาวกไปเราได้เห็นอะไรหลายอย่างในพระพุทธดํารัสเหล่านั้นทรงใช้คําว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อ ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกท่านเห็นว่าไม่ไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเพื่อตัวเองสักอย่างเดียวพูดไปพูดมาเพื่อคนอื่นเท่านั้นแต่โลหิตจพรามท่านก็คิดในแนวของคนที่มีกิเลสกิเลสว่าก็ไม่น่าจะให้อ่ะ เราดีแล้วเราดีก็เราคนเดียวเราก็ไม่น่าจะให้เหมือนกับคนรวยคิดว่าเรารวยแล้วมันเรื่องอะไรเราทํางานมาเหนื่อยจะแบ่งให้คนอื่นจะเฉลี่ยคนอื่นมันก็ก็คิดโดยอาศัยสามัญกำนึกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รวยนั้นมันเป็นมีเชื้อตันหาขึ้นมาเรียกโปโนพวิกานะคืออยากมีอยากเป็นเรื่อยอยากมีอยากเป็นเรื่อยการให้นั้นเป็นการลดไปสิ่งที่ตัวมีอยู่ซึ่งมันเป็นการทวนกระแสตันหาขึ้นไป แต่คนไม่มีธรรมะเขาก็เสียสละไม่ได้เพราะคนที่ที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติที่เสียสละได้ซึ่งก็แสดงให้เห็นในความพื้นฐานทางธรรมะเขาก็สูขก็มองเห็นคุณค่าที่คือเอาทรัพย์สมบัติมาเปรียบเทียบกับความดีก็เห็นความดีมันก็สูงกว่าทรัพย์ก็เสียสละได้นอกจากว่าคนที่ทําบุญเพื่อจะได้เหรียญ น, นะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าทําบุญโดยธรรมะจริงๆนั้นแล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่าคุณธรรมนั้นมันเกิดขึ้น คือเห็นว่าตัวเองได้รับประโยชน์ความสุขจากท้าวสมบัติแล้วก็เพื่อนฝูงที่เดือดร้อนก็รอยังมีแยะเราก็ไปช่วยเหลือเขาแต่ที่เราจะช่วยได้เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่เขาก็เป็นอาการของกรุณาระดับหนึ่งที่เอาไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้ทีนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเอมิต์คือท่านโรสิตาพราหมณ์ที่เป็นเพื่อนของโลหิตพราหมมากราบถูลพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้ทําหน้าที่ของกาลยาณนะมิตรที่ดีแต่ก็รู้ขีดความสามารถของตัวเองเหมือนกันว่าแต่คนที่หัวปักไปอย่างนี้คืออย่าลืมว่าโรหิตาพรามนั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่า โ, โรสิตาพรามทาั้งๆที่เห็นว่าเพื่อนในะความเห็นผิดแต่ก็รู้ความสามารถของตัวดีเองว่าของตัวดีว่าจะไปแก้ไขอะไรคงไม่ได้ก็เลยก็มากราบทูนรพระพุทธเจ้า ให้ช่วยแก้ไขเรื่อง ท, ที่ความคิดความผิดผิดของเพื่อนนี่คืองานของกัลยาณมิตรที่รักษาเพื่อนเพื่อนผู้ประมาทแล้วป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเป็นมิตรประเภทที่เรียกว่าอนุเคราะห์ซึ่งมิตรจึงก็เป็นตัวอย่างของกัญญาณมิตรที่ทรงแสดงไว้ในสิงคาและกะสุที่ได้กล่าวมาในหลายวันมาแล้วออประการต่อไปซึ่งท่านจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่ง เดียมาเคยบอกมาหลายครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าถ้าไอ้พวกสือสิงค์กระติงแรกมาเนี่ยจะไม่เทศจะไม่สอนแต่จะใช้วิธีถามเป็นแบบที่เราเอาไปใช้ได้สบายนะฮะเวลาพูดกับคนหัวหมอจะไปอธิบายเสียเวลาเปล่าเหนื่อยถามนะฮะถามมันพูดเองคนอยากพูดพูดไปถามถามถา ม, ถามติดเองฮนะติดเองแต่ต้องถามไม่เป็นนะฮะถามมันเป็นเราติดเนอะ่อ ก็เป็นวิธีแก้ของพระพุทธเจ้าซึ่งลักษณะการตอบเขาเรียกพยากรณพยากรณ์เนี่ยก็คือการกระทําเรื่องนั้นให้แจ้งแจ้งชัดเจ น, จนขึ้นพุทธเจ้าใช้วิธีถามให้แก่คิดให้แก่คิดโดยเริ่มจุดที่ง่ายที่สุดคือท่านรู้ฐานะของตัวเองว่าท่านเองนั้นนอกจากจะเก็บภาษีอากรนะท่านก็สงเคราะห์รัศฎรมีการพัฒนาท้องถิน่นมีการอะไรต่ใดเนี่ยทีนี้ถ้ามีคนเกิดมาพูดขึ้นว่า โลหิตจพราหมณนี่เก็บภาษีโดยลำพังตัวเองแล้วก็ไม่สงเคราะห์เออเฟื้อราษฎรท่านก็รู้ได้ดทั้งแนีมโ ก, โกะเพราะที่จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวนั้นคนพูดเช่นนั้นต้องมีความเห็นที่ไม่เป็นมิตรการกระทําเช่นนั้นก็เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นในเดือดร้อนคนที่มีความคิดเห็นเช่นนั้นก็เป็นความคิดเห็นผิดแต่ที่น่าสังเกตนะฮะทุกตอนที่พระพุทธเจ้ารับสั่งถามพอถึงมิจฉาทิฐิเนี่ย ก็รู้สึกว่าพราหมณ์เองจะไม่ค่อยค่อยรู้เรื่องโทษของมิจฉาทิฐิเท่าไรพระเจ้าจึงทรงรับสั่งพยากรณ์ว่าคนที่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฐินั้นมีคติเป็นสองท่า น, นั้นคือตกนรกกับเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันทุกตอนจะรับสั่งไปอย่างนั้นทุกตอนทั้งตัวอย่างที่อุปมาที่ยกขึ้นมาทั้งสตอนนะะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ พระพุทเจ้าเชื่อมโยงโดยเหตุโดยผลให้ดูไปตามลําดับเพื่อให้พรามนั้นค่อยๆ ค, คิดโดยอาศัยเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นคนมาพูดเช่นนี้จึงพูดเรื่องที่ไม่จริงเจตนาในการพูดก็ต้องไม่สุจริตความรู้สึกนึกคิดก็ต้องไม่เป็นมิตรและการกระ ท, ทําเช่นนั้นก็ต้องเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นคนที่มีความคิดตามคลอยตามเห็นตามไปก็เป็นความเห็นที่มิจฉาทิฏฐิเพราะต้นเรื่องจริงๆมันมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้น ตัเรื่องจริงๆโลหิตเจพรามแกก็สงเคราะห์ทั้งตนเองและคนอื่นแม้พระเจ้าประเสริฐที่คหรือพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิอย่างของโลหิตเพรามว่าที่จริงก็ไม่ถึงกระรุนแรงอะไรนะฮะไม่ถึงกระรุนแรงอะไรแต่ถ้าหากว่าแกเกิดไปพูดมันก็เป็นอายุพบว่าแล้วถ้า คนอื่นเกิดเห็นตามคล้อยตามท่านมันก็กลายเป็นวิชาทิติตามไปด้วยก็เป็นการเพิ่มบาปให้แก่นตนเองเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการอธิบายธรรมะหรือการชี้แจงธรรมะอะไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจย่าไม่ได้สอบทานกันหลักจริงๆเพราะว่าธรรมะเราไม่ได้จัดสรู้เองพระพุทธเจ้าท่านจัดสรู้เราต้องต้องดูหลักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงเราก็ว่าไปอย่างนั้นเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเองเพราะพระุทธเจ้าทรงรับผิดชอบด้วยพัสัพันยุติยานของพระองค์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาเองผู้เราเองทีมก็กลองฟัคคงผิดเข้าใจผิดมันก็เดินเข้ากระ บ, บวนการของมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นแถแล้วก็เราในฐานะที่เป็นผู้บอกเขาเรากลายเป็นคนสร้างบาปตามไปด้วยจ้านี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังถ้ายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจในเรื่องอะไรก็ชะลอชะลอไว้ก่อน ศึกษาให้ดีๆแือบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดหลงผิดก็ได้แต่ว่าคนมันจะผิดตามเป็นแถวไปดีบก็อ้างอะไรไม่ได้มกันก็ช่วยไม่ได้สรุปว่าแนวความคิดเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเป็นข้อเสนอ ใ, นให้คิดแต่ในเชี่ยเห็นว่าโลหิตจพรามองปัญหาได้ได้ดีพอสมควรเพราะาแกตอบได้ตั้งเกือบตลอดแถวตอบได้เกือบตลอดแถวเอ่อ ในประการต่อไปนั้นคือประเภทของคนที่เรียกว่าเป็นศาสดา4ประเภทประเภทเหล่านี้ามาอยากจะแนะหลักให้ท่านเอาไว้คือจับเป็นหลักได้เลยจะเป็นหลักไอ้สคู่อย่างเงี้ยเราจะอธิบายอะไรก็ตามเราสามารถแยกเป็น4ประเภทได้ตลอด4หลักเหล่านี้ถ้าท่านออที่เคยอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอามาเคยเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเป็นมะม่วงมันก็มีข้างนอกดิบข้างในดิบข้างนอกดิบข้างในสุก ข้างนอกสุขข้างในดิบข้างนอกสุขข้างในสุขนะฮะแม่น้ําแม่น้ําก็มีแม่น้ําตื้นเงาตื้นแม่น้ํำลึกเงาตื้นแม่น้ําตื้นเงาลึกแม่น้ําลึกเงาลึกใช่ไหมอันหนูมีรูก็ไม่ขุดอยู่ก็ไม่อยู่ขุดรูแต่ไม่อยู่อยู่แต่ไม่ขุดรูขุดรูด้วยอยู่ด้วย ทักษิณาบางอยา่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏยกิการบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายท้าวปฏิกา6คือผู้รับบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิการไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งสฝ่ายเคือสีเนี่ยเราจะจับได้ทั้งหมดเลยจับได้ทั้งหมดคนนี้ความรู้ก็ไม่ดีประพฤติก็ไม่ดีคนนี้ความรู้ดีประพฤติไม่ดีคนนี้ประพฤติดีแต่ความรู้ Jean ไม่ดีคนนี้ความรู้ดีด้วย oh. ป, <La> ประพฤติดีด้วย แล้วจับไปอะไรนะคุ้งข้าวก็ได้ทาแกงก็ได้คือจับจะได้เป็นสี่ชุดตลอดแนวสี่นี้จึงเป็นแนวที่ปรับไปคิดอะไรได้ทั้งหมดจะแยกประเภทคนแยกประเภทของแยกประเภทอะไรเนี่ยจะแยกได้ทั้งหมดเพราะงั้นในจตุการนิบาตอังคุตระนิกายในกลุ่มหนึ่งเรียกว่าบุคคลสี่บุคคลสี่พระเจ้าจะเรียงมาอย่างเงี้ยเรียงมาอย่างเรียงมาได้ตลอด จะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่หมายความมาอย่างหนึ่งไม่ดีทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งดีดีอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอีกดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีความเป็นคู่อยู่นะฮะแล้วพออย่างที่สี่นั้นคือจะดีทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างลองจับนะประเด็นไว้นะจับประเด็นไว้เช่นเช่นความรู้กับความสามารถคนนี้ไม่มีทั้งความรู้มีความสามารถ คนนี้มีความรู้แต่ไม่มีความสามารถคนนี้มีความสามารถแต่ไม่ก็จะมีความรู้คนนี้มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถนะหรือว่าคนนี้สมมติเราพูดเรือเอ่องโกรธคนนี้โกรธ ด, ด้วยพยาบาทด้วยคนนี้โกรธแต่ไม่พยาบาทนะคนนี้พยาบาทคนนี้ทั้งโกรธทั้งพยาบาท ก, ก็ว่ากันไปนะเรียนธรรมะก็เหมือนกันนะฮะออะ ไ, ไรสุดตตะน้อยไม่เข้าถึงโดยตะคือเรียนน้อยแล้วไม่เข้าใจเรียนน้อยแต่เข้าใจเรียนมากแต่ไม่เข้าใจเรียนมากเลยเข้าใจด้วยเอาจับไปได้หมดไม่ว่าอะไรก็ตามพวกสี่นะฮะสี่ชุดเพราะงาาาั้นศาสตราในที่นี้รู้เจ้าก็เข้าสูตรแนวสี่แนวสีท่ที่ที่ที่จะเข้าสูตรเรื่องอะไรก็ได้ลองไปจับดูเอ่อ หรือว่าเนี่ยคนเนาะอันนี้รูปก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีอรูปไม่ดีแตใจดีรูปดีแตใจไม่ดีรูปดีด้วยใจดีด้วยลองไปคิดดูนะฮะลองไปคิดดูแล้วพัฒนท่านตั้งอะไรนั่งวัรถเมย์คิดสู่รสีน่นี่ได้ทั้งเยอะคิดสูตรสีใ่ใได้แล้วก็ก็เราจะแยกอะไรได้เยอะแยกอะไรได้เยอะคือให้ได้ทั้งสองด้านถ้าแม่งเสียสองด้านแล้วมาใช้ไม่ได้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งฝ่ายทา ย, ยกทั้งฝ่าปฏิกาหกเสียเวลาทำบุญเรากินดีกว่า ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องทั้งสองอย่างทำบุญทันทีตัวเองก็ไม่อยากทำไอ้คนที่รับก็ไม่ได้เรื่องแล้วกินเองนีกวเอาเรื่องลูกเสียเวลาเปลืองเป่านี่เราไปตัดสินได้ทั้งหมดคิดให้ดีนะสูตรสูตรสี่นี้พยายามจำว่าหนึ่งไม่ดีทั้งสองสองดีหนึ่งสามก็ดีหนึ่งแล้วก็4ดีทั้งสองนี่เป็นสูตรสเพระนารายณ์ศาสดาในที่นี้ประเภทแรกเปรอเภศแรก ก็คือว่าตัวเองนั้นก็ออกศึกษาหาความรู้นะฮะประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีประโยชน์เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับมะม่วงข้างนอกกรดิบข้างในกระดิบยังดีหน่อยนะทำยาได้ทํำยากินได้นี่แต่คนสองประเภทนี้ไม่ได้เรื่องอะไระบุคคลประเภทที่สอง ซึ่งตัวผู้ศาสดาเองคือผู้สอนเองไม่ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติโดยตัวเองแต่สามารถที่จะนำเอาหลักคำสอนเหล่านั้นอธิบายชี้แจงแสดงให้คนอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจได้จะยกตัวอย่างพระเถระในสมัยพุทธกาลมีองค์หนึ่งชื่อว่าท่านโปธิละโปธิละนะฮะโปธิละแปลว่าคำพีเปล่า แตกชานพระไตรปิฎกรอบรู้สารพัดเก่งมากสอนคนอื่นมารู้มักผลแยะแต่ว่าอาจารย์ไม่ไปไหนเลยเรียกว่าโปธีระก็เราต้องยอกย่องท่านนะท่านเก่งในการสอนท่านมีความสามารถในการสอนแต่ว่าตัวท่านเองไม่ได้รับประโยชน์เมื่อนายโคบาลเลี้ยงโคเนี่เป็นผุ่งๆูงทำงานแทบตายเสร็จ แ, แล้วไอ้เจ้าของโครีรนมโคกินตัวเองก็มีหนะ้าที่เลี้ยงโคท่านจึงเป็นผู้ที่ควรตำหน่ ว่าไม่ไม่ให้ได้รับผลด้วยตัวเองด้วยตอนนี้ประเด็นเดียวแล้วเรามองอีกอย่างหนึ่งจะเห็นถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่ไปติเพื่อนเขาด่าไอ้คนที่ติคนอื่นเขาด่านั้นคือคนที่จิตใจมากกว่กิเลสพระพุทธเจ้านั้นท่านแยกชัดมากเลยแยกได้ชัดศา ส, สดาสองพวกนี้ถึงใครไปคิดดูก็เออพวกแรกนะฮะ ตัวเองกอ็ไม่ได้รับผลอะไรแล้วก็สอนคนอื่นก็ไม่ได้รับผลแล้วไปตั้งกลุ่มขึ้นมาทําอะไรเหมือนก็โรงเรียนนะฮะโรงเรียนตั้งขึ้นมาโรงหนึ่งไอ้ครูก็ไม่มีความรู้อะไรแล้วก็สอนเด็กก็เลอะอะเถอะเลยสร้างอาสวะสังคมขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกัชาติบ้านหนึ่งแต่ว่ากลุ่มที่2นั้นยังไงยังไงผมก็พอฟังได้นะฮะคือคือควายอาจารย์ไม่เป็นเรื่องก็ตามแต่ก็ลูกศิษย์เขาทีลูกศิษย์ได้รับประโยชน์ เอาละตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็สร้างคนขึ้นมาได้ชุดหนึ่งก็ได้เป็นประโยชน์ก็ถงแยกให้เห็นว่าพวกเนี้ยมัควรตำหนิอยู่จุดทีนี้พวกประเภทที่สามนั้นตัวอาจารย์เองได้รับประโยชน์จากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันสอนคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นอะไร เป็นประเบทครูที่เรียกว่าถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ยปากแค่จัดจ้านมันต่อฟังนังสื้อรำคาญวิชาชานมากเปล่าไหมข้าวที่ตอนนี้ก็เป็นเป็นระดับปัจเจกโพธ <c ười> ิ์คือ ท, ที่ที่จริงท่านก็ดีส่วนตัวท่านนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านดีเลยเกินในส่วนตัวท่านท่านเป็นพระาราหันที่มีฐานะสูงกว่าพระพุทธเจ้าแต่ท่านเกิดเป็นร้อยเป็นพันสู้พระพุทธเจ้าเกิดมาองค์เดียวไม่ได้ ก็ไรว่าท่านเกิดแล้วท่านบรรลุแล้วท่านก็อยู่ไปอนิพานนิพานนินพา น, น, พนไปเป็นพันๆ น, นะเกิดมาได้เป็นพันๆไม่ได้ทาประโยชน์อะไรแก่แก่โลกเลยพระพุทธเจ้าเกิดมาอง์เดียส น, นั้นเองตามประโยชน์แก่โลกได้เป็นเวลานานยาวไกลนี่ก็คือเป็นศรรสาสตราประเภทที่ควรตําหนิควรตําหนิในฐานะที่ไม่สามารถช่วยคนอิ่คือหมายกว่ามาคใกลา้ๆกับคนที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้ซึ่งพระพุทธเจ้ามักจะอุปมา เหมือนอะไรเหมือนกับสะโบกกรณีที่ผีเสื้อยักเข้าก็หวงแหนนะฮะส่วนมากจะอุปมาในแนวนี้คือคนที่ร่ำรวยมีเงินมีทองแยะแต่ว่าไม่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่สงเคราะห์บุคคลอื่นนะตัวเองก็บริโภคจับจ่ายใช้สอยด้วยตัวเองก็ดีเขาได้รับประโยชน์จากทรัพย์แต่ว่ามันก็เหมือนกับผีเสื้อยักสะน้าที่ผีเสื้อยักหวงแหน น้ำมันมีแยะ่นะฮะที่จริงถ้าให้คนอื่นก็กินด้วยก็ก็ช่วยกันได้แค่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยใครปล่อยป้องกัน ร, ราราขาไว้แล้วในที่สุดตัวเองก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้เป็นคนประเภทที่ควรตําหนิในฐานะหนึ่งแต่ควรยกย่องในฐานะที่สามารถสร้างตัวเองขึ้น ร, ร่ํารวยมีหลักไม่ต่านนี่คือการจําแนกการยอมรับคนอื่นเพราะฉะนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธจิตรยา ของพระพุทธเจ้าเองแในสะท้อนเราเห็นพระพระคุณทั้งสามอยู่ตลอดไม่ว่าจะทําอะไรจะแสดงอะไรจะพูดอะไรก็ตามแสดงให้เห็นในที่นี้แสดงให้เห็นถึงพระบริสุทธิที่คุณและพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณพร้อมพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นก็หมายถึงว่าอะไรเป็นจริงอย่างไรก็ทรงแสดงไปตามนั้นพระปัญญาก็สามารถจําแนก พระกรุณาก็ชี้ทางเอาให้ว่าคนเหล่านี้ถ้าจะคบกัแกนะจะคบคนพวกไหนประเภทแรกแน่นอนนะเอาไม่ได้เรื่อแต่ประเภทที่สองคบแกได้นะประเภทที่สองเอ่อไม่ใช่ใช่ประเภทที่สองคบแก่ได้เพราะว่าเราได้ประโยชน์แต่ประเภทที่สามะแก่ได้ประโยชน์พอมาถึงพระพุทธเจ้ า, าจะพบว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เหมือนในไรเหมือนทักษิณาที่บริสุทธ์ทั้งฝ่ายทา ย, ยกทั้งฝ่ายปฏิการก เหมือนมะม่วงที่ข้างนอกก็สุก ข, ข้างในก็สุกเหมือนหนูที่รูก็ขุดแล้วก็อยู่ก็อยู่เหมือนอะไรเหมือนไม้ที่แข่งด้วยแล้วก็วางไว้ไกลน้ำด้วยคือใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ก็แนวนี้ทีเ่เคยพูดเรื่องเนคขมมะคือการออกบวช่ะมันก็คือแนวสี่แนวสี่นี้เป็นแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าคิดก่อนจะจัดสรุ้แต่ตอนนั้นท่านคิดเพียงสามแนว เอาท่อนไม้มาถามท่อนก็คิดออกมาถามแนวไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางวางไว้ในน้ำเปียกสองเปียกเปียกน้ําเปียกอย่างอันนี้เอามาทําไม้สีฝ่ายไม่ได้ไม้สดชุ่มอยู่ด้อย่างวางไว้ใกล้น้ําเปียกอย่างเดียวเปียกอย่างสีฝ่ายไม่ได้ไม้สดที่ปราศจากยางวางไว้ใกล้น้ําไม่เปียกสักอย่างใช้ได้ก็เหมือนกับคนที่ออกบวชคือออกจากจากกิเลสนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่สีพวกด้วยกันที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิเลส มันก็ไม่เคยออกไปนอกนี้หรอกพวกหนึ่งกายไม่ออกใจไม่ออกซึ่งก็หมายความว่ากายก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในเรื่องอบายยมุกในเรื่องอโลเกียร์วิสัยทั้งหลายไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะถ่ายถอนตนเองออกไปวันนี้แย่หน่อยนะฮะพวกอบายยมุกแต่แนวที่สองนั้นคือออกกายแต่ใจไม่ออกเช่นมาออกบวชเป็นชีเป็นพระเป็นสามนเญณนะแต่กระจก็ยังคิดฝ่ายผัญถึงบ้านถึงช่องถึงความสนุกแบบโรค กิเลสมันยังมีแต่ตัวมันห่างไปหน่อยเท่านั้นเอง ก, ก็พอใช้ได้แต่เทียบกับพวกแรกมันก็ดีกว่าพวกแรกหน่อยเทียบกับพวกแรกมันก็ดีกว่าพวกแรกหน่อยแนวที่3ก็คือใจออกกายไม่ออกซึ่งหมายความว่ายังยังว่าท่านคือว่าตัวตัวการตั้งการไอ้กิเลสมันอยู่ที่ใจธรรมะมันก็เกิดที่ใจอะอะไรแต่ไรมันก็อยู่ที่ใจอย่างที่ทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายถึงความรวมลงในจิตดวงเดียวรวมที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างอื่นมันก็พูดพูดไปอย่างนั้นเอง มันงประกอบเฉยๆถ้าใจออกโดยกายไม่ออกเราสามารถทำใจอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆได้โน้ตูไปบ้างเราก็ไม่ใส่ใจไม่ก็ไม่มีอะไรจะหนวกใครรำคาญไปใครทำเอะตึงตังเราไม่สนใจเราก็สบายใจพวกนี้ปฏิบัติไปถึงพระอนาคามีนะกลุ่มนี้ไปได้ตลอดเลยกลุ่มหนึ่งก็คือกายออกใจออกหมายความว่ากายก็ออกไปจากกิเลสกามจากแวดวงของโลก ตึงตก็ยังอยู่ในโลกนะฮะแต่ไม่แปดเปื้อนโลกเหมือนกระดอกบัวอยู่ในโคนต r o แต่ไม่แปดเปื้อนตกทั้งออกได้ทั้งกายทั้งใจก็คือแนว4เหมือนกันแนว4ทั้งหมดนะะเพราะฉะนั้นแนวสีให้จับประเด็นได้สักแนวนะแล้วเราจะเห็นทางในการประพฤติปฏิบัติว่าเวลาเราไปจับอะไรเข้าเนี่ยเรานึกถึงแนวสเนี่ยแนว4ชุด4นึกมาม่วงนึกง่ายหน่อย นึกแนวมะม่วงนะฮะปรับง่ายเพราะว่าท่านทั้งหลายไปจ่ายตลาดจะบ่อยเห็นมะม่วงบ่อยก็คิดแนวมะม่วงแล้วก็คิดเปรียบเทียบแล้วโยงไปหาเรื่องอื่นได้ปัญหาเรื่องความเข้าใจนะฮะธรรมะในทางาศาสนาเขาให้เราเข้าใจพยายามคิดเทียบเคียงแล้วเนี่ย ม, มันไปได้ตลอดนะไปได้ตลอดเพราะคนแสดงองค์เดียวตอนนั้นเองพระพุทธเจ้าแสดงอง์เดียวทอนนั้นเราก็จับทิศทางของเราได้แต่แม้แต่หลักที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสแสดงแต่ก็ยุติด้วยหลักที่ทรงสแสดง ก็ทําให้เราเสริมความคิดของเราได้พอคิดคิดได้มันก็เข้าใจเข้าใจก็จับประเด็นต่างๆได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านอะไรมากมายอยังย่งยกตัวอย่างเช่นพระสูตรบางพระสูตรนะครับอัจยาถึงย0่สหน้าเนี่ยเราอ่านแล้วเราคิดไปเราจับประเด็นไปประเดี๋ยวเราก็ดูออกละว่านี้มันเดินยังไงมันเชื่อมยังไงเนี่ยเขก็ไม่จำเป็นต้องจำเป็นต้องไปอ่านทุกตัวอ่านทุกตัวก็ไม่ไหวแล้วใจวีดกสี่ทิพย์ผ้าเล่ม ให้จับประเด็นให้ได้และจะเห็นแนวทางเลยเชื่อมจากกับสูตรอื่นๆได้ดเลยในแนวที่สองนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์โลกสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นความดีความงามเป็นข้อปฏิบัติที่ทนต่อการพิสูจน์ทดสอบทุกยกุคทุกสมัยถ้าหากว่าคนระดับพระพุทธเจ้า จัสรุมมนแล้วมาอยู่เฉยๆอยอ่ตั้ง 4-5 ปีปัจจุบันนี้เราไม่รู้จักชื่อท่่นครับแล้วก็สรุปว่าการจัดสรุของพระองค์ไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สมัครพระองค์เบ่งอย่างเดียวซึ่งชีวิตของคนเรานั้นจะต้องเป็นประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่สานวนบาลีท่านใช้คาว่าอัตตคุณกับปะระหิตตคุณอัตตะคุณก็คือคนที่เกื้อกูลแก่ตนเอง ให้ลองให้ลองดูนะฮะพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีคุณของพระสงฆ์ก็ดีพระธรรมนั้นทะ่านท่านเป็นสภาวะธรรมนะท่านไม่มีตนอะไรก็สรุปว่าพระพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์อะพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นคุณส่วนตัวท่านสัมมาสัมพุทโธเองก็เป็นคุณส่วนตัวท่านคือคือแปลเป็นไทยดีกว่านะฮะเป็นพระอหันต์อะเป็นคุณส่วนตนเอง สัจุดีสัจโรชอบด้วยตนเองเป็นคุณส่วนส่วนตนเองวิชาเจรณะสัมปันโนสมบูรณ์วิชาและเจรณะเป็นคุณส่วนตัวเองสุกัโตเสด็จไปดีแล้วเป็นคุณตั้งส่วนตนเองและคนอื่นโลกวิทูรู้แจ้งโลกเป็นคุณส่วนพระองค์เองอนุตโรโปุริสดำมสารติเป็นสารติฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสาถติอื่นยิ่งไปกว่านี้เป็นคุณที่เกื้อกูลคนอื่น สถาเดวมนุษยานางประสาสดางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นคุณขอเพื่อคนอื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นนั้นเป็นคุณส่วนพระองค์แต่ปลูกคนอื่นให้ตื่นนั้นเป็นคุณส่วนเกื้อกูลแก่คนอื่นพระกวาแปลว่ามีโชคเป็นคุณส่วนพระองค์แต่แปลว่าจำแนกธรรมเป็นคุณส่วนเกื้อกูลแก่คนอื่นหรือนมโมตัสสะนี่ยนโมตัสสะเคยคิดแปลหรือเปล่านี่ยโมตัสสะพระวโตวัราตัวสมาจะกุตัสสะ นโมตัสสะนั้นนั้นนันนโมนั่นแปลว่าขอขอนอบน้อมเฉยๆนะฮะตัสสะพระกัตโตเดบพระผู้เมรพระภาคเจ้าอรหะโตนะอรหะโตนั้นก็เป็นคุณส่วนพระองค์และเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธะนั้นเป็นคุณส่วนพระองค์และเป็นพระปัญญาคุณสัมมาสัมพุทธะไม่ไม่ไม่จะนโมตัสสะพระกโตสิลืมไปตกไปตัวพระกโตนั้นเป็นคุณส่วนเกื้อกูลแก่คนอื่น คือกรุณาคุณเพราะงั้นนโมตสัสสะนี่จึงเป็นพระกรุณาคุณพระบริสุทธิ์คุณพระปัญญาคุณว่านโมไม่กี่คำนะฮะไหว้พระคุณพระพุทธเจ้าได้ทั้ง3ามคนก็สรุปว่าตนเองกับคนอืน่นหรือพระสงฆ์เอง4ข้อแรกที่เราสวดสุ ป, ปฏิปันโนปกติโตสาวกสังโฆเนี่ยอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนสีข้อที่เราสวดตอนต้นนะนั่นคือคุณส่วนตัวท่านท่านดีกับท่านเองอ่ะท่านปฏิบัติดีกับเรื่องของท่านปฏิบัติตรงกับเรื่องของท่าน แล้วปฏิบัติไม่ตรงกันที่จริงก็เป็นเรื่องของท่านนะะปฏิบัติไม่ตรงก็เป็นเรื่องของท่านรับผิดชอบตัวท่านเองปฏิบัติสมควรก็เป็นเรื่องของท่านท่านไม่สมควรก็เป็นเรื่องของท่านคือหมายความว่าผล น, นี้ไม่ได้กระทบที่คนอื่นแต่กระทบที่ตัวท่านทั้งดีทั้งไม่ดีแต่พอนี้ฮะอาหุนโยปหยกกุนโยตกิตโยนลริกานยโยนุตังมุจักิ ต, ตังกาก็สัอันนี้คือเกื้อกูลเกยคนเกย์คนอื่นเพราะงาั้นพระพุทธเจ้า ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนั้นเรียวกว่าโลกาโนกรัรมปโกคือผู้อนุเคราะห์โลกเป็นาศาสดาผู้เอนดูต่อสรรพสัตว์แต่กอบด้วยการุณามหากรุณาที่ยิ่งใหญ่เพราะงั้นพระองค์จึงต้องสอนต้องสอนโลกทำไมต้งสอนเพราะพระองค์การุณาต่อสัตว์โลกถ้าพระองค์ไม่สอนก็จะถูกตำหนิคือคือสรุปว่าคนระดับ พระพุทธเจ้าจะไม่สอนนั้นไม่มีหรอกไม่ใช่พระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าแต่เราจะเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนนะธรรมานั้นก็เป็นประโยชน์แก่พระองค์เพียงเพียงลําพังแต่นั้นเองพอพระองค์นิพพานปั๊บมันก็ไปเหมือนอะไรเหมือนความรู้ข้อมอชีวโกมาราพัดบางอย่างอย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลนั้นก็ผ่าตัดสมองได้แล้วนะฮะการแพทย์มังก้าวหน้าไปถึงตัดสมองได้แล้วผ่าตัดสมองได้แล้ว แต่ว่าไม่มีคนสืบต่อเลยหมอในสมัยพระพุทธเจ้ามามีทีวกุมารพัฒอยู่คนเดียวนี่ประเทศจีนมีฮูโตเก่งจะตายเลยฮะฮูโตตายก็จบเพื่อนก็เผาตํานานอะไรแต่ในยุคหลังเสียแอรจักรพรรดิอะไรที่สร้างกําแพงจีนนกําแพงเมืองจีนเอาไปเผาที่เยอะแยะหมดเลยมันก็ไม่มีการสืบต่อไม่มีประโยชน์อะไรเกิโลกถึงคนเหล่านี้มันนานๆจะเกิดขึ้นมาจากโลกในโลกสักคราวหนึ่ง แต่ถ้าไม่ทำอะไรไม่สร้างอะไรไว้โลกก็ไม่ได้รับประโยชน์จากคนเรานั้นเป็นการทำประโยชน์เป็นการเป็นการทำความดีเพื่อตัวเองแต่ก็ไม่ได้เกื้อกูลแก่คนอื่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเป็ น, ปนผู้อนุเคราะห์โลกทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกด้วยประการต่างๆหรือว่าอย่างน้อยที่สุดคนเราที่รองลงมาถ้ารู้ดีรู้ชอบโดยตัวเองนะฮะตัวเองทาอะไรไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่า เรารู้ว่าในที่หนึ่งมีขุมทรัพย์อยู่แต่เราเองไม่มีกำลังความสามารถที่จะไปทาได้ก็บอกคนอื่นให้เขาไปขุดอย่างน้อยก็ช่วยคนอื่นอะ่ะเพราะงั้นในศาสตาดาประเภทที่สามจึงจึงจึงน่ายกย่องไม่ใช่ประเภทที่สองอจึงน่ายกย่องในตัวในส่วนตัวของท่านอยู่ในแง่หนึ่งนะคือคือคือว่ายังไงยังไงตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็บอกกลากให้คนอื่นเขา เป็นการเปิดเผยชี้แจงแสดงให้โลกเขาได้รู้ไว้ก็ทำให้เรามองโลกในแง่ที่ใจกว้างขึ้นแยะนะพอเราเห็นคนออกเป็นสามข่ายเป็นสี่ข่ายอย่างนี้ก็รพร้อมที่จะยอมรับฐานะของคนอื่นพบลุงแกสักคน ม, มาเมาเหล้าเลยไปสอนหลานนะ่าจะดื่มเหล้าเนี่ยดูลุงในแยะเลยเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นโรคพิจุราเรื้อรังนะปั๊มปเป๋เอย่างเงี้ยนะหลานอย่าเอาตัวอย่างลุงนะก็น่านับถือแกะนะว่าจริงนะ นั่นถือแก่ยังเอาตัวอย่างก็มาสอนลูกสอนหลานได้ก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะยอมรับยกย่องคนได้จะมีความละเมียดละไม่สูงขึ้นนะมันต้องแยกว่าประเด็นที่ไม่ดีก็คือประเด็นที่ไม่ดีแต่คนเรานั้นไม่มีใครที่จะเลวเลวบริสุทธิ์เลวบริสุทธิ์จริงมันมันมันไม่มีภาษาในปัจจุบันก็ใช้บาปบริสุทธิ์เลวบริสุทธิ์อะไรนะเคยชั่วบริสุทธิ์ซึ่งๆึ่งึ่ ง, ง, งก็ไม่ทราบหมายความว่าไงเหมือนกันแหละ คือคื อ, คอไอเลวบริสุทธิ์นี่มันมีไม่ได้นะเลวด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่มีหรอกคือคนระดับพระเทวทัตแล้ยังไม่เลวด้วยประการทั้งปวงพระเทวทัตตังยังมีดีต่งท่านนะฮะมีดีตั้งหลายประเด็นหลายจุดด้วยกันแต่ว่าส่วนที่ตำหนิก็คือตำหนิส่วนที่ยกย่องเขาก็เราเรายกย่องเขาไม่ว่าใครก็ตามก็ถ้ายึดหลักอย่างนี้คือยึดหลักตามแนวของพระพุเทธเจ้าที่ว่า ยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่ออาศัยการกระทำที่ควรยกย่องตําหนิคนที่ควรตําหนนิดโดยที่ดูที่การกระทำของเขาว่ามีการกระทำที่ควรตําหนนิก็ตําหนิเขาดังนั้นความคิดของท่านโลหิเจพรามจึงเป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าหากว่าคนทั้งหลายทําตามท่านเนี่ยแนวตามท่านหมดคนรวยไม่ออเอื้อเฟื้อคนจนคนมีความรู้ไม่สั่งสอนคนไม่รู้าศาสสดาทั้งหลายไม่อนุเคราะห์โลกจก โลกไปไม่ได้เลยโลกจะเดินไม่ได้ความคิดแนวนี้จึงถือว่าเป็นอันตรายในเชิงที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันของชาวโลกคนเรามันมีอะไรแตกต่างกันคือใครมีอะไรพอจะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นได้มันก็ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือกันคนมีเงินก็สงเคราะห์ด้วยเงินมีความรู้ก็สงเคราะห์ด้วยความรู้มีแรงก็สงเคราะห์ด้วยแรงพระพุทธเจ้าทรงจัดสรุธรรมะก็ต้องอนุเคราะห์เกื้อกูลโลกด้วยธรรมะ นี้จึงถือว่าเป็นหลักแล้วเราลองดูว่าเวลาทรงวางหน้าที่สําหรับพระสงฆ์ที่เคยกล่าวมาแล้วในสิงคาราคัตสุดที่จะปฏิบัติต่อชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องแน่เดียวก็ที่พระองค์รำนะแนะนําแห้ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ด้วยน้ำใจงามให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดเคยฟังแล้วอธิบายแจ่มแจ้งบอกทางสวา่างให้หกข้อ ในหกข้อนั้นมีข้อที่สามในคำว่าสงเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงามนั้นคือบางครั้งอาจจะเป็นวัตถุถ้าเรามีนะถ้าเรามีเราก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุได้แต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่โดยตรงแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอีกห้าข้อนั้นเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆอ่าข้อเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆแล้วเป็นงานในหน้าที่ของเราซึ่งใครอยู่ในจุดใดก็ทําหน้าที่ของตัวเองในจุดนั้นเหมือนครูอย่างเงี้ยครูจะทําทงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เบอรเงินเดือนเสร็จเอาของมาแจกเด็กก็เสร็จนะครูก็อยู่ไม่ได้ครูก็ทํางานในฐานะของครูไปนักสังคมสงเคราะห์ก็ทำงานนักสังคมสงเคราะห์ไปใครอยู่ในจุดที่จะเกื้อกูลแก่สังคมด้วยอะไรได้ก็ให้เกื้อกูลแก่สังคมด้วยสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่ในฐานะที่ใครจะทุ่งติง่งหรือใครจะตําหนิ้ติดเตียงเพราะพระองค์ทรงทำประโยชน์ของพระองค์ได้สมบูรณ์แล้วก็ทําประโยชน์แก่บุคคลหรือได้สมบูรณ์ด้วย โดยจะพามันเนียนคนไม่ค่อยรันอะไรนะท่านจะเห็นว่าเป็นคนไม่ค่อยรันอะไรต่อความคิดของท่านสามช่วงของความคิดนั้นช่วงแรกท่านเองที่ผิดจนที่สองช่วงที่สองยังช่วงที่สองนั้นท่านไม่เข้าถึงปัญหาที่ท่านบอกว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นคนอื่นจะให้แก่กันไม่ได้อันนี้จริงนะว่าจริงแต่ว่าเราสามารถชี้แจงทางประพฤติปฏิบัติให้กันได้ ทางควรเว้นทางควรประพฤติให้กันได้ไอ้ส่วนตัวความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวเราที่เราจะต้องทําขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราจะรู้ทางแห่งความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องรู้จากคนอื่นเพราะฉะ น, นคนอื่นก็คืออย่างอย่าพราจะพุทธเจ้าเป็นชี้ทางบริสุทธิ์แล้วก็ชี้ทางไม่บริสุทธิ์ให้อย่างที่เราสวดกันนะฮะชี้ทางมันโต ท, ทุกชี้สุขเกษมสารนั่นเองเลยจะพร ม, มองอะไรได้ชัดมาก ในภาสิตนั้นไม่ได้จบลงด้วยอย่างที่คนทั้งหลายมักพูดกันแต่ท่านมีความรู้สึกว่าพระธรรมเทศนาจริงๆมันก็ไม่เชิงเทศนานะคุยกันคุยกันว่าเป็นการยกท่านขึ้นมาจากหลุมหลุมบ่อที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงซึ่งหมายความว่าถ้าหลนลงไปแล้วก็อันตรายถึงแก่ชีวิตแต่พระพุทธเจ้าได้ยกท่านขึ้นมาจากหลุมห่นน ก็ลุมก็ก็แล้วแต่จะลุมแต่ว่าลุมในที่นี้จะจะลืมนะท่านเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งพระเจ้าทรงแสดงมาตกนระกกับติรฐานด้านั้นดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าปรับความเห็นของท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้กระบวนการทั้งหลายมันก็เดินไปเป็นแถวโดินการก็ก็เดินไปในแนวของออความเห็นที่ถูกความคิดที่ถูกการกระทําที่ถูกการพูดที่ถูกการดําเนินชีวิตที่ถูกการตั้งส ต, ติถูกมันก็เดินเข้า สายองค์อริยมรรคในระดับหนึ่งซึ่งก็มีผลเป็นความเกื้อกูลทั้งแก่ตัวท่านและก็แก่บุคคลอื่นเรประกาศตนแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแจะเป็นการถึงจริงๆนะฮะปฏิบัติจะเป็นการถึงจริงๆไม่ใช่ว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วแล้วไปไปข้าวสารสาดาสายบาบาอยู่ที่อินเดียไม่ใช่อย่างนั้นคือถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปข้าวสาสาดาที่ไหนอีกแล้ว